นางเพรีได้ฟังพระราชดำรัสแล้วจึงทูลว่าข้าแต่มหาราชพระองค์จะประทานพระราชมารดาด้วยโทษนี้ก็สมควรแต่พระมเหสีของพระองค์เป็นผู้มีพระคุณเมื่อจะพนนาคุณของพระนางนันทาเทวีมเหสีนั้นได้กล่าวคาถาสองคาถาว่าพระนางนันทาเทวีเป็นพระมเหสีผู้ประเสริฐกว่าหมู่บริจาริกานารี มีพระสาวนีเป็นที่รักเหลือเกินเป็นผู้ประพฤติตามที่ชอบเป็นผู้มีศีลเป็นผู้ตามเสด็จประดุจพระชายาไม่ทรงพิโรธง่ายๆเป็นผู้มีบุญเป็นบัณฑิตเห็นประโยชน์พระองค์จักประธานพระราชเทวีแก่ผีเสื้อน้าด้วยโทษอะไรบรรดาคำเหล่านั้นคำว่ามูบริจาริกานารี อิทีคุมพั ส, สะได้แก่มูสตรีคำว่าผู้ประพฤติตามที่ชอบอนุพัตาความว่าจำเดิมแต่เวลาทรงพระเยาวเป็นผู้ประพฤติตามที่ชอบคือไปตามที่ควรเป็นผู้มีศีลเป็นผู้ตามเสด็จประดุษพระชายาก็นางเพรีปริปาชิกาเมื่อจะกล่าวคุณของพระนางนันทาเทวีนั้น โดยคำว่าไม่ทรงพิโรธง่ายๆอโกธนาเป็นต้นจึงกล่าวคำนี้ว่าในเวลาประทับอยู่ในสากรนครในมัทรัตพระนางนันทาเทวีแม้ถูกพระองค์ตีก็ไม่ถูนฟ้องพระชนกชนนีด้วยความสเสน่หาในพระองค์เพราะกลัวจะลงอาญาพระองค์พระนางนั้นเป็นผู้ไม่โกรธมีบุญเป็นบัณฑิต เห็นประโยชน์อย่างนี้ดังนี้หมายเอาความไม่โกรธเป็นต้นในเวลาที่ยังทรงพระเยาว์คำว่าพระราชเทวีอุปภริงได้แก่พระมเหสีนางเพรีกล่าวว่าพระองค์จักประทานพระนางนันทาเทวีผู้สมบูรณ์ด้วยคุณอย่างนี้แก่ผีเสื้อน้ำด้วยโทษอะไรพระเจ้าจุลนี เมื่อจะทรงแสดงโทษของพระนางนันทาเทวีผู้มเหสีนั้นได้ตรัสคาถานี้ว่าพระนางนันทาเทวีนั้นรู้ว่าข้าพเจ้าถึงพร้อมด้วยความยินดีในการเล่นตกอยู่ในอำนาจแห่งกิเลส ท, ที่ทาความพินาศก็ขอซั์ที่ข้าพเจ้าให้แก่บุตรธิดาและชายาอื่นๆซึ่งไม่ควรขอกับข้าพเจ้าข้าพเจ้านั้นมีความกำหนัดนักแล้ว ก็ให้ซับคือเครื่องประดับทั้งประนีตทั้งสามเป็นอันมากครั้นสละสิ่งที่ไม่ควรสละแล้วภายหลังก็เศร้าโศกเสียใจข้าพเจ้าให้พระราชะเทวีแก่ผีเสื้อน้ำด้วยโทษนั้นบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าตกอยู่ในอำนาจกิเลส ท, ที่ทำความพินาศอนัตถวสมมาคตังความว่า รู้ว่าข้าพเจ้าตกอยู่ในอำนาจของกิเลสที่ทําความพินาศเพราะความยินดีในการเล่นคือกามกีฬานั้นคําว่าพระนางนันทาเทวีนั้นข้าพเจ้าสามังความว่าพระนางนันทาเทวีนั้นรู้ข้าพเจ้าคําว่าแก่บุตรธิดาและชายาอื่นๆจะกาณังปุตตะณังความว่า เครื่องประดับอันใดที่ข้าพเจ้าให้แก่บุตรธิดาและภรรยาทั้งหลายของข้าพเจ้านางขอเครื่องประดับอันนั้นซึ่งไม่ควรจะขอว่าจงให้แก่หม่อมฉันคําว่าภายหลังก็เศร้าโศกปัจฉาโสจานิความว่าในวันที่สองพระนางกล่าวกับบุตรเป็นต้นของข้าพเจ้าว่าเครื่องประดับเหล่านี้พระราชาประทานแก่เราแล้ว ท่านทั้งหลายจงนำมาให้เราดังนี้เมื่อบุรเป็นต้นของข้าพเจ้าร้องไห้ยอยู่ก็เปลืองเอาไปต่อมาข้าพเจ้าเห็นบุรเป็นต้นเหล่านั้นร้องไห้มาหาข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็เศร้าโศกภายหลังพระนางนันทาเทวีนี้ทําโทษอย่างนี้ข้าพเจ้าให้นางแก่ผีเสื้อน้ำด้วยโทษนี้ลำดับนั้น ปริพาชิกาเพรีเมื่อจะทูลถามพระเจ้าจุลณีว่าพระองค์จะประทานพระมเหสีด้วยโทษนี้ก็สมควรแต่ติคินักุมารพระกนิตฐาพาดามีอุปการะแด่พระองค์พระองค์จะประทานเขาด้วยโทษอะไรดังนี้จึงกล่าวคาถาว่าพระกนิษฐาพาดาผู้มีพระนามว่าติคินาราชกุมารยังชนบทให้เจริญ เชิญเสด็จพระองค์ผู้ประทับอยู่นสากลนครให้กลับมาสู่ราชธานีนี้ทรงอนุเคราะห์พระองค์ครอบงำพระราชาทั้งหลายเสียนำทรัพย์เป็นอันมากมาแต่ราชสมบัติอื่นเป็นผู้ประเสริฐกว่านายขมังธนูทั้งหลายผู้กล้าหาญมีความคิดหลักแหลมพระองค์จักประทานพระนิธภพาดาแก่ผีเสื้อน้ำด้วยโทษอะไร บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าให้เจริญเยโนจิตาได้แก่ที่ให้เจริญแล้วคำว่าราชธานีปฏิกขหังความว่าและที่นำพระองค์ผู้ประทับอยู่ในประเทศอื่นกลับมาสู่พระราชมเทียนคำว่าครอบงำอภิษฐายะได้แก่ครอบงำแล้ว คำว่ามีความคิดหลักแหลมติคินะมันตินังได้แก่ผู้มีปัญญาแหลมคมได้ยินว่าติคินะราชกุมาร น, นั้นประสูตรในการเมื่อพระราชมารดาอยู่ร่วมกับพราหมณ์เมื่อพระราชกุมารทรงเจริญแล้วพราหมณ์ได้ให้พระแสงขันสั่งว่าเจ้าจงถือพระแสงขันนี้เข้าหาข้าได้ พระราชกุมารนั้นก็บำรุงพรามด้วยสำคัญว่าเป็นพระชนกของตนลำดับนั้นอมาตย์คนหนึ่งได้ทูลพระราชกุมารว่าข้าแต่พระราชกุมารพระองค์มิใช่เป็นพระโอรสแห่งพรามณ์นี้ในเวลาเมื่อพระองค์ยังอยู่ในพระคันพระนางสลากเทวีผู้เป็นพระราชมารดาให้ปรงพระชนพระราชบิดาเสีย แล้วม่อพระราชสมบัติแก่พรามนี้พระองค์เป็นพระราชโอรสแห่งพระเจ้ามหาจุลณีพระราชกุมารได้สะดับประพฤติเหตุนั้นก็กริ้วดำริว่าช่างเถิดเราจะฆ้าพร้อมนั้นเสียด้วยอุบายอย่างหนึ่งแล้วเข้าไปสู่ราชสำนักประทานพระแสงขันแก่มหาดเล็กใกล้ชิดคนหนึ่งและตรัสกับมหาดเล็กอีกคนหนึ่งว่า เจ้าจงยืนอยู่แทบประตูพระราชนิเวศแล้วกล่าวกับมหาดเล็กที่ถือพระขันนั้นว่านั่นพระขันของเราแล้วพึงก่อวิวาทกับมหาดเล็กคนนั้นตรัสสั่งชะนีแล้วสเสด็จเข้าข้างในมหาดเล็กทั้งสองนั้นได้ทะเลาะกันพระราชกุมารส่งบุรุษคนหนึ่งไปเพื่อให้รู้ว่านั่นทะเลาะอะไรกันบุรุษนั้นมาทูลว่า ทะเลาะกันด้วยต้องการพระขันลำดับนั้นรามได้ฟังดังนั้นจึงถามพระราชกุมารว่าเรื่องเป็นอย่างไรพระราชกุมารกล่าวว่าได้ยินว่าพระขันที่พระองค์ประธานแก่หม่อมฉันเป็นของคนอื่นรามกล่าวว่าพูดอะไรพ่อถ้าอย่างนั้นจงให้เขานํามาฉันจําพระขันนั้นได้ พระราชกุมารให้นําพระขันนั้นมาแล้วชักออกจากฝักทำเป็นให้จำได้ด้วยคำว่าเชิญทอดพระเนตรเข้าไปใกล้พรามนั้นแล้วตัดศีษะพรามนั้นให้ตกลงแทบพระบาทของตนด้วยการฟันฉับเดียวเท่านั้นต่อแต่นั้นเมื่อนําศพพรามออกจากพระราชนิเวศแล้วได้จัดแต่งพระราชนิเวศตกแต่งพระนครอภิเษกพระราชกุมารนั้น พระชนนีแจ้งว่าจุลนีราชกุมารอยู่ในมัธรัตพระราชกุมารทรงสดับดังนั้นแวดล้อมด้วยเสนาขณิกกรเสด็จมัธรัฐนำพระเชษฐาธิราชมาให้ครองราชสมบัติจำเดิมแต่นั้นมาชนทั้งหลายก็รู้จักพระองค์ว่าติินณมนตรีปริภาชิกาทูลถามว่าพระองค์จะประทานพระนิกภาดาเห็นปานนี้นั้น แกผีเสื้อน้ำด้วยโทษอะไรพระราชาเมื่อจะตรัสโทษของติขิณกุมารนั้นตรัสว่าติขิะราชกุมารยังชนบทให้เจริญเชิญเราผู้อยู่นสากล น, นครให้กลับมาสู่ราชธานีนี้อนุเคราะห์เราครอบงำพระราชาทั้งหลายเสียนำทรัพเป็นอันมากมาแต่ราชสมบัติอื่นเป็นผู้ประเสริฐกว่านายขมังธนูทั้งหลาย ล่าหานมีความคิดหลักแหลมแต่เธอคุยเสมอว่าพระราชาองค์นี้มีความสุขเพราะข้าพเจ้าเธอสำคัญว่าฉันเป็นเด็กไปพระแม่เจ้าในคราวที่มาเฝ้าเล่าเธอไม่มาเหมือนแต่ก่อนข้าพเจ้าจึงให้พระกนิษฐาาดาแก่ผีเสื้อน้าด้วยโทษนั้นบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าแต่ราชสมบัติอื่น พระรัชเชพิความว่าติขิณราชปุมารคุยเสมอว่าเรานำทรัพย์เป็นอันมากมาแต่ราชสมบัติอื่นถวายแก่พระราชานี้และเมื่อพระองค์เองประทับอยู่ในราชสมบัติอื่นเราก็นำกลับมาสู่ราชธานีนี้เราได้ประดิษฐานพระราชานี้ไว้ในยศอันยิ่งใหญ่คําว่าเหมือนแต่ก่อนยะถาปุเร ความว่าเมื่อก่อนเธอมาเฝ้าแต่เช้าทีเดียวแต่บัดนี้เธอไม่มาเหมือนอย่างนั้นข้าพเจ้าให้เธอแก่ผีเสื้อน้ําด้วยโทษนั้นปริภาชิกาทูลว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าโทษของพระกนิษฐาพาดา จ, จงยกไว้ก่อนแต่ธนุเสขกุมารประกอบด้วยคุณมีความสเสน่หาในพระองค์เป็นผู้มีอุปการะมาก เมื่อจะกล่าวคุณของธนุเสกคุมารจึงทูลว่าพระองค์และธนุเสกเกิดในราตรีเดียวกันทั้งสองเป็นชาวปัญจาละเกิดในพระนคร น, นี้เป็นสหายมีไวเสมอกันมีจริยางามติดตามพระองค์ไปร่วมสุขร่วมทุกข์กับพระองค์พยันขันแข็งขวนขวายในกิจทั้งปวงของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน พระองค์จะให้พระสหายแก่ผีเสื้อน้ําด้วยโทษอะไรบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าธนุเสขะธนุเสกขวาความว่าชื่อว่าธนุเสขกุมารเพราะเป็นผู้ศึกษาธนูศิลป์คําว่าในพระนครนี้เอถะได้แก่ในพระนครนี้แหละคําว่าปัญจาลปัญจาลาความว่า ที่เรียกอย่างนี้เพราะเกิดในอุตรปัญจาลนะครคํทำว่ามีวัยเสมอกันสุสมาวิยาได้แก่มีวัยเสมอกันด้วยดีเพราะว่ามีจริยางามติดตามพระองค์จริยาตังอนุพันธิดโถความว่าได้ติดตามพระองค์ผู้หลีกไปเที่ยวตามชนบทในเวลายังทรงพระเยาว์เหมือนอะไร เหมือนเงาไม่ละพระองค์คำว่าขยันขันแข็งของพระองค์อุดสุโกโตเตความว่าขยันขันแข็งคือเกิดความพอใจในกิจทั้งหลายของพระองค์ทั้งกลางคืนและกลางวันหวนขวายเป็นนิดพระองค์จะให้พระสหายนั้นแก่ผีเสื้อน้ำด้วยโทษอะไรลำดับนั้นพระเจ้าจุลนีเมื่อจะตรัสโทษของธนุเสขกุมารนั้น ตรัสว่าข้าแต่แม่เจ้าธนุเสขะนี้ประพฤติกระสิบกระซีตีเสมอข้าพเจ้าแม้วันนี้ก็หัวเราะดังเกินขอบเขตแบบนั้นข้าแต่แม่เจ้าข้าพเจ้าอยู่ในที่ระโหฐานปรึกษากับพระเทวีของข้าพเจ้าอยู่ไม่ได้เรียกหาก็เข้าไปและไม่แจ้งให้ทราบก่อนเขาได้พรจากข้าพเจ้าให้เข้าพบได้ทุกที่ทุกเวลา แต่สหายไม่มีความยำเกรงไม่มีความเอื้อเฟื้อเลยข้าพเจ้าให้แก่ผีเสื้อน้ำด้วยโทษนั้นบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าแม้วันนี้แบบนั้นอัชาปิเตนะวันเนนะความว่าสหายธนุเสขะนี้เมื่อก่อนเที่ยวติดตามข้าพเจ้าร่วมกินร่วมนอนกับข้าพเจ้ายามตกยากตบมือหัวเราะลั่นฉันใด แม้วันนี้สหายธนุเสขะก็หัวเราะฉันนั้นแหละยังเห็นข้าพเจ้าเหมือนเวลาตกยากคำว่าไม่ได้เรียกหาอนามมนโตวความว่าเมื่อข้าพเจ้าปรึกษาอยู่กับพระนางนันทาเทวีในที่ลับเขาไม่ขออนุญาตก่อนรวดพราดเข้าไปข้าพเจ้าให้เขาผู้ไม่มีความยำเกรง ไม่มีความเอื้อเฟื้อแก่ผีเสื้อน้ำด้วยโทษนี้ลำดับนั้นปริภาชิกาทูลพระเจ้าจุลณีว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าโทษของพระสหายธนุเสขะนี้ยกไว้ก่อนแต่ปุโรหิตเกวัตตะเป็นผู้มีอุปการะแก่พระองค์มากเมื่อจะกล่าวคุณของปุโรหิตนั้นทูลว่า ท่านเกวัตตะปุโรหิตาจารย์เป็นผู้ฉลาดในนิมิต ท, ทั้งปวงรู้เสียงร้องของสัตว์ทั้งหลายเชี่ยวชาญในคำภีพระเวศรอบรู้ในเรื่องอุบาทเรื่องสุบินมีความชำนาญในการหาเลิกยกทัพและการเข้ารบเป็นผู้บอกเลกล่างเลกบนฉลาดในทางแห่งดาวเลกพระองค์ให้พรอมปุโรหิตแก่ผีเสื้อน้ําด้วยโทษอะไรบรรดาคําเหล่านั้น คำว่าในนิมิตทั้งปวงสัพพนิมิตตานังความว่าเป็นผู้ฉลาดในนิมิตทั้งปวงอย่างนี้ว่าด้วยนิมิตนี้สิ่งนี้จักมีด้วยนิมิตนี้สิ่งนี้จักมีคำ ว, ว่ารู้เสียงร้องรุทันอยูความว่ารู้เสียงร้องของสัตว์ทั้งปวงคำ ว, ว่าในเรื่องอุบัติอุ ป, ปาเทได้แก่ เรื่องอุบาิมีจันทคราดตุรียคราดอุกาบาทและลำพู่กันเป็นต้นคำว่าเรื่องสุบินสุปิเนยุตโตความว่ารอบรู้ในเรื่องสุบินว่าปันเช่นนี้จะเป็นอย่างนั้นคำว่าในการหาเริกยกทับและการเข้ารบนิยาเนจะระเวเนความว่ารู้ว่า โดยนักสัตร์นี้พึงยกทัพโดยนักสัตร์นี้พึงเข้ารบคำว่าผู้บอกเลิกล่างเลิกบนปะโถภุมมันตะลิกขสมิงความว่าเป็นผู้ฉลาดคือสามารถได้แก่สามารถรู้โทษและคุณในพื้นดินและในอากาศคำว่าฉลาดในทางแห่งดาวเลิกนักขัตตะปะทะโกวิโทความว่า เป็นผู้ฉลาดในส่วนแห่งนั ก, กษัตริยี่สิปพระองค์ให้เกวัตตะปุโรหิตนั้นแก่ผีเสื้อน้าด้วยโทษอะไรพระราชาเมื่อจะตรัสโทษของเกวัตตะปุโรหิตนั้นตรัสว่าถ้าแต่แม่เจ้าเกวัตตะปุโรหิตแม้ในที่ประชุมก็เลิกคิ้วแลดูข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงให้ในายพรานผู้เลิกคิ้วแก่ผีเสื้อน้าเสีย เนื้อความของคาถานั้นว่าข้าแต่แม่เจ้าอุโรหิตเกวตัตตนี้เมื่อแลดูข้าพเจ้าในท่ามกลางบริษัทก็ลืมตาแลดูเหมือนคนโกรธเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงให้นายพรานคือนักล่าสัตว์ผู้ทำเป็นเลิกคิ้วเพราะโทษที่เลิกคิ้วนั้นแก่ผีเสื้อน้ำ